พระธรรมเทศนาแผ่นที่สองลำดับที่สิบสองโดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่สิบธันวาคมสองพันห้าร้อยห้าสิบหกมีชื่อเรื่องว่าทำงานหลายคนต้องอดทนให้มากเมื่อวาน หลวงพ่อออกไปนน่นออกไปกาลสินเมื่อคืนเนี่ยไปเทศขอนิมนต์ไปแสดงธรรมที่วัดเจ้าคณะจังหวัดเจ้าคุณเทพวัดประชานิยมเทศประมาณหนึ่งทุ่มสิบ19นาฬิกากลับมาสองทุ่มกว่ามเมื่อคืน มาถึงวัดสี่ทุ่มพอดีนะลูกหลานนะนี่แหละภารกิจของออพระ <c oughs> ที่มีอายุพรรษาถ้าไม่ไปก็ไม่ได้หน้าที่ทำหน้าที่เพราะนั้นหลวงพ่อจะได้ไปเทศเสนาว่าการแต่สมัครใจไหม ควาว่าสมัครใจนะไม่มีหรือลูกหลานเนะี่ยเหมือนกับมาที่นี่ล่ะแต่มาที่นี่สมัครใจมาไหมแต่ถ้าว่าไม่ใช่งานของหลวงปู่หลวงพ่อก็คงไม่สมัครใจเหมือนกันอยู่ที่วัดสบายกว่าไอพวกลูกหลานก็คงจะเป็นลักษณะอย่างนั้นเหมือนกันนะแต่ทีนี้พวมาเราอยู่ที่นี่เราก็ต้องทํายังไง ต้องใช้ความอดทน อ, อดทนไปอีกไม่นานอีกยี่สิบห้าวันนะลูกหลานนะจากนี้ไปยี่สิบห้าวันเพราะนั้นลูกหลานผู้ใดก็ตามที่จะมาทำบุญในช่วงองหลวงปู่ยังมีธาตุขันอยูอ่พวกเราให้เข้ามาทำบุญจากนี้ไปยี่สิบห้าวัน พอพ้นยี่สิบห้าวันแล้วอยากจะทำบุญอีกอย่างนี้เนะี่ยไม่ได้ทำนะลูกหลานนะเพราะเหตุไลพระสงฆ์ต่างคนก็ต่างองค์ต่างแยกย้ายกันไปคนละแห่งละหนกันนุ่นละเนจบครบรอบอวันมรณะภาพของหลวงปู่วันที่สิบเก้ามกราห้าแปดนุ่นละเสน่ถ้าว่ันลูกหลานอายุไม่ยืนก็ตายก่อน ลูกหลานหลวงพ่ออายุไม่ยืนก็ตายก่อนอีกเหมือนกันเพราะนั้นขณะนี้สรีละของหลวงปู่ยังอยู่ลูกหลานก็มาช่วยช่วยกันคนละไม้คนละ ม, มือนะลูกหลานนะและอีกส่วนหนึ่งก็ฝ่ายพระสงฆ์พระสงฆ์ครูบาอาจารย์ก็ให้มีความอดทนอย่างที่หลวงพ่อได้พูดพอจบไปแล้วก็ต่างคนก็ต่างแยกย้ายกัน ขณะที่มาอยู่ด้วยกันต้องมีความอดทนเป็นพื้นฐานขันติคือความอดทนวิระยะคือความเพียรปัญญ า, าต้องอ่านการกลองไตรตองเหตุและผลเรามาอยู่ที่นี่มาอยู่ด้วยเหตุผลอันใดที่พวกเรามาอยู่ร่วมกันเป็นหมู่เป็นคณะขนาดนี้มาอยู่ด้วยเหตุผลอันใดก็คืองาน ของหลวงปู่ของเราหลวงปู่ของเราเป็นที่รักเคารพที่ท่านจากไปเป็นครั้งสุดท้ายพวกเราจะต้องแสดงออกซึ่งความกะตันยูกระตเวทิตาต่อผู้มีอุปกา ร, ระคุณคือหลวงปู่อันนี้คือความในใจของพวกเราท่านทั้งหลายแต่เมื่อมาแสดงความกะตัญยูอย่างนี้ ต้องมาอยู่ด้วยกันหลายคนหลายองค์พระหลายองค์ศรัทธาญาติโยมหลายคนบางทีบางครั้งก็อาจจะมีการกระทบกระแทกหรือว่าการพูดกระแนกกะแนหหรือว่าการพูดที่ไม่พอใจเหล่านี้เราเราก็ต้องมีความอดทนอดทนในใจเพียง25วันอดทนไม่ได้เหร อ, อจากนั้นเราก็พวกพวกเราก็จะแยกย้ายกันกลับไปอยู่ที่บ้านพัก ของตนเองอนี่ก็เหมือนกันนั่นแหละแต่ไม่ใช่จะพวกเรานะทีนี่เจ้าของบ้านของท่านก็เหมือนกันนะ่ะเห็นแขกเข้ามาอยู่อย่างนี้มาเต็มบ้านเต็มเรือนเนี่ยจะให้แขกถูกใจท่านก็คงเป็นไปไม่ได้ท่านก็อึดอัดอีกเหมือนกันนะะั่นอึดอัดกับพวกเราเหมือนกันแต่พวกเรามาอยู่อย่างนี้พวกเราก็อึดอัดอีกนั่นแหละสรุปแล้วก็คือต่างคนก็ต่าง มีขันติคือความอดทนใส่กันถ้าหาว่ามีความอดทนใส่กันเรื่องทั้งหลายก็จะไม่เกิดขึ้นพอเรามีมุ่งความมุ่งมัน่นมีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจมานี่เพื่ออะไรอยู่ที่นี่เพื่ออะไรงานนี้เพื่ออะไรงานนี้เพื่อหลวงปู่หลวงปู่ของเรามักให่ไฟสูงขนาดนั้นเหรอทำไมไม่รีบจัดการ ไม่ใช่นะไม่ใช่ความผิดหลวงปู่นะเป็นความผิดของลูกของหลานของเราทุกคนเนี่ยแหละที่เอาหลวงปู่ไว้นานก็เลยนี่แหละมีภารกิจพวกเราจะต้องหันหน้าเข้าหากันแต่หลวงปู่จริงๆท่านบอกว่าถ้ากูตายไปเนาะสูจะเอาไว้นานเน๊ะเออต้นมะขามอยู่ในตัดมาเลยอยู่ในสวนเน่มันไม่ผิดกฎหมายอะไรเ้าอะ ตัดมาเขามาเผากูได้ให้มันจบจบไปสูจะไปเก็บไว้นานถ้าเก็บไ้นานทั้งหัวดำทั้งหัวล้นอนจะมามาลง ม, มาต้มมันจะยุ่งยากนะแี่คือหลวงปู่ท่านเป็นผู้มักน้อยสันโดษอยู่แล้วแต่พวกเราทําให้ยุ่งยากทําให้ยุ่งยากพวกเราก็ต้องอดทนในะีินี้ต่างคนก็ต่างอดทนไม่ใช่หน้าที่ไม่ใช่เรื่องของหลวงปู่ หลวงปู่ท่านให้มักง่ายให้จบเร็วแล้ๆอย่าให้ยุ่งเหยิงวุ่นวายกับสรีระของท่านอันนี้เป็นคือท่านสั่งไว้แล้วนี่แหละพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่หลวงตาทั้งหลายทั้งหยองหย่างหลวงปู่ล่าก็เหมือนกันถ้าเราตายไปนะถ้าตายเช้าให้เผาเย็นถ้าตายเย็นให้เผาวันรุ่งขึ้นถ้าไปเผากลางคืนก็ชักจะเกินไป หลวงปู่ลาท่านสั่งสั่งอย่างเด็ดขาดแต่จากนั้นท่านก็มีข่ามวดท้า ย, ยตรงหนึ่งว่ า, าถ้าหากว่ามีครูบาอาจารย์เข้ามาก็ฟังฟังครูบาอาจารย์เด้ออันนี้คล้ายๆกับว่าท่านเผื่อว่าหลวงตามหาบัวไปอย่างนี้ก็ต้องให้ฟังท่านลักษณะอย่างนั้นน่ะท่านขอมวดท้ายน้อยนึ่งตอนนี้พอท่านล่วงรับดับขันไปลูกศิษย์ที่ได้ยินคําถางทางเดียวนั่นกัเอาอย่างเดียวทีนี้ แต่หลวงตามหาบัวท่านไปเป็นประธานอยู่ที่นั่นท่านบอกเออให้ฟังนะให้ฟังสูงฟังต่ำํำฟังซ้ายฟังขวาฟังหน้าฟังหลังถ้าไม่มีอะไรบอกเราคือสรุปแล้วก็คือจะมีไฟพระราชทานไหมเออมื่อกหลวงปู่ขาวหลวงปู่ขาวท่านหลวงปู่ขาวก็มอบให้หลวงตามหาบัว เออถ้าว่าเราตายคําตายคืนตายเวลาไหนก็ตามให้มหาบัวนะมอบให้มหาบัวนะเป็นผู้จัดการเอาให้เร็วนะอออย่าช้านะ อ, อถ้าเราตายไปเนะี่ยอันนี้คือคําสั่งของหลวงปู่ขาวแต่พอหลวงปู่ขาวมรณภาพลง อ, อพะบาทสมเด็จพระเจ้าจูงหัวท่านก็ว่าหลวงปู่ขาวเป็นพระประมาจาันที่ท่านก็เคยมากราบ เยี่ยมคารวะหลวงปู่ขาวที่ทากองเพนอยู่พราท่านหลวงปู่ขาวมรณะภาพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หักวก็เลยท่านก็ว่าเออหลวงปู่ขาวเอาไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์ถ้าว่าท่านจะเป็น เ, เป็นผู้จัดถวายงานศพจรีละของหลวงปู่ขาวหลวงตามหาบัวท่านก็บอกเออเนี่ เราเนี่ยเป็นพระศกในกอของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านเป็นรับเป็นภาระทุรเป็นภาระของพระองค์แล้วเราก็นั่นก็ยกให้พระองค์ท่านไปเราจะไปก้าว่ายได้ยังไงเราก็เป็นพระศกในกอของท่านนี่แหละอันนี้คือเบื้องสูงอันนี้หลวงปู่ล่าก็เหมือนกันหลวงตาเขาคอยคอยฟัง ฟังก็ไม่มีอะไรลงตาก็สั่งเออเอาถ้าไม่มีอะไรก็ประชมเพลิงนะเราก็ได้ประมาณหนึ่งอาทิตนะอันนี้ก็คือถ้าวความให้ฟังให้ลูกหลานที่เกิดใหม่ใหญ่ทีหลังให้ได้รับรู้รับทราบว่าอันไหนควรและไม่ควรอย่างไรอันไหนสมควรอย่างไรไม่สมควรอย่างไรอันนี้มันก็ต้องใช้สติใช้ปัญญาใช้ความรอบคอบ พ่อโลกนี้ไม่ใช่เราอยู่คนเดียว อ, อยู่หลายหลายคนมีระดับมีหลายระดับเราจะเอาอย่างใจตัวเองทุกอย่างเป็นไปไม่ได้ถ้าหาว่าเป็นเป็นใจตัวเดียวก็จะไปยากอะไรขึ้นไปอยู่บนเขาแล้วกระโดดลงในเหวช่องเขาแคบๆลงไปกั บ, บ, บกระดูกไปทิ้งอยู่ที่นั่นมันก็จบนะแต่มันอยู่ด้วยกันหลายคนแล้วจะทํำยังไงก็จะต้อง ช่วยกันจัดช่วยกันทําเมื่อจัดทาขึ้นมาก็อย่างที่หลวงพ่อได้พูดนี่แหละอยู่ด้วยกันหลายองค์นลูกหลานเน้ออยาให้มีเรื่องราวให้รักคารพเมตตากันทําด้วยความหวังดีทําด้วยความตั้งใจเทิดทูนบูชาองค์หลวงตาองค์หลวงปู่ของเราถ้ามีการทาเพื่อความเชิดชูบูชาในองค์หลวงปู่ของเราแล้วเรื่องทั้งหลายจะไม่มี พอทุกคนก็เทิดทูนบูชาอันไหนควรหนักหนักหนาหนักเบาอย่างไรพวกเราก็ช่วยๆกันคนหนึ่งช่วยกันอย่างหนึ่งช่วยกันอย่างหนงต่างคนแบ่งเบาภาระกันงานทั้งงานก็จะราบรื่นไปด้วยดีไม่มีอุปสรรคอะไรแต่ถ้าหากว่าใครก็อยากจะให้เอาได้อย่างใจของตัวเองมาหลงงงแงงมาล็อกงอกแงก ผลในสุดของงานก็จะราบเรื่นไปได้อย่างไรเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้ขอฝากไว้กับทุกๆคนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นหลวงพ่อเองก็ไม่ไดบ้บอกว่างานนี้มีการทะเลาะบบกแวงกันไม่มีไม่มีความพร้อมเพียงสามัคคีกันหลวงพ่อไม่ได้พูดอย่างนั้นเพียงแต่ว่าพวกเราอยู่ด้วยกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปอาจจะมีการทะเลาะกันก็ได้ถ้าอยู่คนเดียว เอยังคิดบางครั้งิ็กลุ้มใจขึ้นมาบางคิดก็คิดดีใจขึ้นมาขนาดคนเดียวก็ยังนิดยังคิดดีใจยังคิดเสียใจใช่ไหมคนเดียวนะถ้าสองคนขึ้นมาล้วเอยคนหนึ่งบางทีคิดขึ้นมาอารมณ์บูดใช่ไหมตาเกี้ยวขึ้นมาเอ้มันเรื่องอะไรวะฮสองคนมันมีปัญหาขึ้นมาลเลยนถ้าพูดออกมาบุบบุ บ, บ, บ, บนะเอ่เอะไรเสียงไม่ไม่เข้าหูขึ้นมาแล้วไง เกิดขึ้นโมโหขึ้นมาแหละเอา้ามันเป็นอะไรวะเนี่ยนี่แหละถ้าสองคนถ้าสามสี่คนขึ้นไปอย่างพวกเราท่านทั้งหลายพระลูกพระหลานทั้งหลายเดี๋ยวนี้จะป่าเข้าทั้งเจ็ดสิบแล้วหกสิบกว่าเจ็ดสิบไปแล้วเนี่ยานานาจิตตังนานาทัศนะเนี่ยนานาความเห็นานานาพ่อนานาแม่นานาการศึกษ า, านานาวัดนะบันหลายนานาและการเกินนานาความรู้ นานาคุณธรรมในจิตในใจนั่นอาจจะไม่เสมอกันเมื่อไม่เสมอกัร น, นี่แหละส่วนนี่แหละซื้อส่วนต่างอาจจะไม่ไม่มีความเข้าใจซึ่งกันและกันนี่หลวงพ่อที่เป็นหัวหน้าลูกหลานทั้งหลายหลว ง, งพ่อเลยเป็นห่วงก็เลยพยายามกล่าวย้ำเตือนพวกเรามาที่นี่มีจุดประสองค์อะไรมาเพื่อเทิดทูนบูชาพระคุณของหลวงปู่ ให้พวกเราตั้งอกตั้งใจเนะ้อลูกหลานเนะ้อให้รักเคารพในองค์หลวงปูนะ่เน้อนี่แหละหลวงพ่อเขาพยายามแล้วก็เห็นอันไหนก็ตามอยู่ในวัดป่าวิเวกเนะี่ยพัฒนารามเนะ้อเป็นขยะก็ตามเป็นถุงพลาสติกก็ตามอันไหนก็ตามพอเราจะเก็บเก็บเนอเราไม่ได้เก็บเพื่อใครเราไม่ได้เก็บเพื่อญาติเพื่อโยมเพื่อใครเราเก็บเพื่อลุงปู่ ถึงจะใส่สูตรมาก็เตอะอย่างที่หลวงพ่อโพดที่บ้านตาทพวกเราถึงจะใส่สูตรมาก็เถอะใส่เครื่องประดับ เ, เหลืองอะลามด้วยเพชรมินกินดามาก็เตอะถ้าเห็นถุถงขยะถ้าเห็นอะไรถ้าเข้าไปในห้องน้ำถ้าสกรปรกเราต้องล้างเราล้างห้องน้ำเพื่อใครไม่ใช่เพื่อคนอื่นนะเราล้างห้องน้าเพื่อโลปเูเพื่อลงตาของเราเรารักเคารพพระองค์หลวงตา พ่อหลวงปู่หลวงตาของเราสอนให้ทำความสะอาดอยู่ที่ไหนให้สะอาดให้เรียบร้อยอย่าไปทิ้งเกินกลาดเพราะนั้นพวกเราเข้ามาทุกคนเข้ามาเพื่อทำงานเพื่อหลวงปู่ในเมื่อหลวงปู่แล้วเราจะอยู่ในระดับไหนทำงานได้ทั้งนั้นพอทำเสร็จแล้วันความภาคภูมิใจจะอยู่ในจิตในใจของพวกเรากลับไปถึงวัดวัดกลับไปถึงบ้าน เวลานึกขึ้นมาเวลาใดเราก็ภูมิใจเพราะว่าเออสมัยอยู่ในบ้านเราไม่เคยล้างห้องน้ำเลยแต่ที่เราไปวัดของหลวงปู่นะเราเห็นห้องน้ำโสขปรกเราล้างห้องน้ำให้สะอาดนี่แหละเมื่อเราคิดขึ้นมาเมือ่อใดเราทำเพื่อใครเราทำเพื่อลุงปู่บูชาพระคุณหลวงปู่ เนี่ยเราก็ภาคภูมิใจนะครับนะักศาญาติโยมลูกหลานผ้านเนรน้องนุง่งทั้งหลายนะเะพราะฉะนั้นเรามานี่มาเพื่อหลวงปู่น ะ, ะต้องอดทนทุกเสียงทุกอย่างหนักบ้าง เ, าเบาบ้างหนักบ้างนะั่นแหะมาทํางานนะหลวงพ่อเองก็ไม่ใช่เบานะหนักไปคนละแนวเหมือนกันนะ่ะหนักเป็นแนวความคิดหนักเป็นแนววางแผนหนักไปแร็วที่จะพูดศรธยายญาติโยมลูกหลานทุกหมู่ทุกคณะ อย่างที่หลวงพ่อไปเมื่อคืนเนี่ยเเหมือนกันปอไปในงานวันเกิดของท่านเจ้าคุณแต่ตามจริงงานวันเกิดเน่ยเขาจะไม่พูดเรื่องตายเรื่องเผาศพนะแต่หลวงพ่อบอกเลยว่านี่นะหลวงพ่ออินนี่นะามางานข่าวนี่มาที่วัดป่าวิเวกวัฒนารามบ้านท้วยทรายแต่ขอประกาศให้คณะสัตยาญาติโยมอจังหวัดกาลสินที่เป็นสิทธิ์ญาณุสิทธิ์ของท่านเจ้าคุณแต่หลวงพ่อเองก็มั่นใจว่าเจ้าคุณนี่ต้องพิจารณาภาวนา มลนังเมภาวิสติอยู่ตลอดเวลาเอออีกวันหนึ่งข่าจะต้องตายอีกวันหนึ่งข่าจะต้องตายถ้าหายใจไม่เข้าข่าจะต้องตายถ้าหายใจไม่ออกข่าจะต้องตายเพราะฉะนั้นหลวงพ่อมั่นใจว่าท่านเจ้าคุณของเราที่วันเกิดของท่านเนี่ยเออท่านก็จะต้องคิดอย่างนั้นคือระลึกถึงความตายอยู่เสมอนี่แหละเออแต่หลวงปู่จามของเราเนี่ยท่านตายเป็นตัวอย่างให้เห็นแล้ว เป็นตัวหย่าตา ย, ตายเป็นตัวอย่างของพวกเราเพราะนั้นพวกเราเที่จะต้องได้ไประชุมเพลิงนะคณะทายาติโยมผินองจังหวัดกาลสินถ้าใครเห็นอันไหนที่จะเกิดประโยชน์ที่จะนาไปช่วยในงานเฉลียละของหลวงปู่จามของพวกเราเอาไปได้นะใครคิดเห็นว่าอันไหนจะเกิดประโยชน์เนี่ยหลวงพ่อประกาศที่นั่นอีกวันที่ห้านะ ม ก, กราคมพุทธศักราช2557เวลา 17:00 น, น, น, นนะพี่น้องลูกหลานเนะนี่หลวงพ่อก็ได้พูดไปปอําเภอพิทายปทายก็หลวงพ่อก็พูดไปอยู่ที่อุดรงานหลวงปู่บุญมีนาคูลคนเป็นหลายพันเกือบจะเป็นหมื่นหลวงพ่อก็พูดนะหลวงพ่อไปที่ไหนมีตะบอกกล่าวให้คณะสัตยาญาติโยมลูกหลานมาช่วยๆกัน พื่จะให้งานหลวงปู่สําเร็จทุกวงไปด้วยดีและก็เมื่อสําเร็จไปแล้วข็หนนะักเป็นบุญเป็นกุศลหลวงพ่อเองก็มีแต่บอกกล่าวให้คณะสัตยาญาติโยมมีความพร้อมเพียงมีความสามารถี่กันในการจัดงานของหลวงปู่ในคราวในครั้งนี้แต่งานที่หลวงพ่อมองมองเห็นก็คงไม่มีปัญหาทางส่วนรัตการจะเข้ามาแต่วันนี้กับพวกนะ่ย พวกกรมช่างทหารอากาศก็จะนํามากั้นน้ําห้วยทราย เ, าเพื่อจะได้สูบน้ําขึ้นมาใช้ในงานเพราะงานของเราเนี่ยเป็นหัวใจก็คือน้ำํำหลวงพ่อเองก็ไม่ได้ยิ่งดูดายก็ในมณฑลพระขั้นที่เป็นหัวหน้าเรื่องจัดการเรื่องน้ําส่งน้ําใช้ในงานต่างๆที่งานพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทุกองค์ในภาคอีสานเนี่ย ก็มีมีคณะอยู่สองคณะคือคณะหลวงพ่อตุกับคณะหลวงพ่อแปะที่จัดการเรื่องน้ำนี่แหละหลวงพ่อก็ได้สองนิมนต์มาสองคณะมาช่วยกันติดต่อประสานทุกกงบงการที่จะมาให้ช่วยงานของหลวงปู่ของเรานี่เห็นไหมหลวงพ่อมาอยู่ที่ท่าเกียที่อุดรท่านก็บอกว่าท่านอาจารย์หลวงพ่อ ผมจะเอาเครื่องเสียงไปช่วยงานหลวงปู่จามนะมาพุทธจังหวัดระยองเนะี่ยที่ท่านมาทําโอ้ยินดีลูกหลา น, นเาลยว่าหลวงพ่อเองก็ยังนึกหาอยู่เหมือนกันอยากจะได้เครื่องเสียงที่ เ, เสียงดังๆให้เสียงทั่วถึงกันไม่ใช่ของธรรมดาในะงานใหญ่ถึงขนาดนั้นถ้าว่าไปช่วยหลวงพ่อเองก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งหนะ้านี่แหละจากนั้นท่านก็ได้ อ, ออกมาจากถ้ำเกียร์มางานของหลวงปู่มั่น บ้านน้องผือนาในาพวกเราก็ได้เอาเครื่องเอารถไปรับมาจากบ้านน้องผือมามามาใช้งานในงานหลวงปู่นี่แหละสรุปแล้วงานทุกอย่างมันต้องมีการประสานบอกกล่าวคือหลายหลายคู่หลา ย, หลา ย, ห, ลายหลายคนมีความพร้อมเพียงสามัคคีคนหนึ่งมองทางหนึ่งคนหนึ่งเห็นทางหนึ่งคนหนึ่งได้อันหนึ่งคนหนึ่งได้อันหนึ่งมาช่วยช่วยกันเพราะนั้นขอให้คณะสัตยา ญ, ญาติโยมลูกหลานในท้องถิ่นของเรานาะ อีกไม่กี่วันนะพวกเราจะมาอยากจะมาทำบุญนี่ไม่ไม่ได้มานะทีนี่พราพระสงฆ์หมดไปแล้วต่างแยกย้ายกันนู่นละถ้ามีงานอ่นจะมาพบมาเจอกันอีกน ะ, เ, ะเพราะนั้นพวกลูกหลานทั้งหลายให้ช่วยๆ่วยกันเรื่องอาหารการบริโภคก็ดีเรื่องฟางปูที่นั่งก็ดีเรื่องเสือก็ดี เ, เรื่องเนี่ยนะหลวงพ่อจังประกาศว่างานของหลวงปู่ของเรานะลูกหลานนะเรื่องพาดไร กับผ้าขาวที่จะถวายพระสงฆ์อันนี้ก็สุดแท้แต่เราไม่ได้ว่าหรอกแต่ทางว่าไม่บอกไม่กล่าวลูกหลานก็ไม่รู้เอเราจะทำบุญเนี่ยเราจะทำเรื่องอะไรนะเนาะทางที่ตระกูลของเราก็พอจะมีเงิน อ, อ น, น, นิดๆหน่อยๆรวมกันน่หลวงพ่อเนี่ยผ้าไตรแลวก็ผ้าขาว ผ, าผ้าไม้ผ้าซันฟอร์ไรท เอามาถวายพระสงฆ์พระสงฆ์ไม่ต่ำกว่า3 0 0 0ันถึงห้าพรูปเนี่ยที่มาในงานเพราะนั้นเรื่องจตุปัจจัยนี่แหละเรื่องผ้าที่จะไหว้ผ้าบังะกุลสําหรับพระสงฆ์อันนี้ก็จําเป็นถ้าบอกผู้ได้อยากจะทําบุญในจุดนี้ก็ได้ถ้าอู้ผู้ฆ่าไม่มีอะไรฟางคือในนาของผู้ฆ่าผู้ฆ่าจะเอามาเอาไปเอาหนะ้าอันนี้เราไปเอาขึ้นมาก่อนมาปูให้คนนั่ง ล้วนแล้วแต่เป็นบุญเป็นกุศลทั้งนั้นแหละดีกว่าเราอยู่เฉยๆมี่จะมากินตำต้มซำส้มตำเท่านั้นก็มากินคือข้ยเตี๋เทนะ่านั้นน่ะเฮ้ยขยะก็มาทิ้งใส่วัดอีกต่างหากเนะีอันนั้นไม่เกิดประโยชน์นะหลวงพ่อลูกหลานคณะสัตว์ทายญาติโยมนะต้องช่วยกันอยากจะสร้างบุญสร้างกุศลจุดนี้เป็นสุดจ้างบุญสร้างกุศลมากกว่านั้นเนฮะ้ขี้ขโมยโผลโจรมาเห็นอะไรก็ย่องจ้อง จะมาขาโมยสิ่งขโมยของภายในวัดอีกต่างหากสถานที่ตรงนี้ไม่ใช่สถานที่พวกเราจะทําความชั่วเป็นสถานที่สร้างคุณงามความดีเป็นสถานที่สร้างบุญสร้างกุศลสถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์หลวงปูท่ท่านภาวนาท่านไหว้พระสวดมนต์เท่าไหร่มีพระบรมสารีริกธาตุอีกตางหากเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ถ้าข้าว่าถ้าใครก็ตามนะ มาทําบาปในจุดนี้นะบาปทวีคูณนะบาปทวีคูณเพราะเหตุไรเพราะทำมาทําบาปในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เพราะนั้นสิ่งเหล่านี้ขอฝากไว้กับพระรูปพระห ล, า, ลานศรัทธาญาติโยมทุกหมู่ทุกคนนะมาสถานที่แห่ง น, นี้ต้องเป็นผู้ใจสะอาดใจสะอาดวาจาสะอาดการกระทําสะอาดนะ ทำด้วยความตั้งอกต่อใจบุญกุศลทวีคูณอีกเหมือนกันนะบุญกุศลทวีคูณถ้าทําในจุดนี้เพราะสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เป็นสถานที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่ของเราบําเพ็ญพวกเรามาสร้างในสถานที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์บําเพ็ญกุศลเนี่ยบุญกุศลมหาศาลนะคณะสัตยาติโยมลูกหลานน ะ, ะวันนั้นขอบอกกล่าว เพราะนบางคนบางแห่งหลวงพ่อไปเห็นอย่างที่วัดปา่าบ้านตาดก็เหมือนกันแต่บางทีก็กรีดกระเป๋าแล้วบางทีขโมยโทรศัพท์บางทีทงทไปลืมโทรศัพท์ในห้องน้าขโมยกันหลวงพ่อก็ประกาศเออลูกหลานได้สถานที่แห่งนี้ไม่ใช่สถานที่มาสแสวงหาขโมยโพยจนขโมยเล็กขโมยน้อยออมันไม่ใช่สถานที่อย่างนั้นเนอะเป็นสถานที่เคารพสักการะเห็นไหม องหลวงตาของท่านหาทองคําเข้าคลังหลวงทั้ง13ตันท่านช่วยประเทศชาติบ้านเมืองแั้มาในงานของท่านของเล็กๆน้อยๆก็มาขโมยของในวัดมาสร้างบาปสร้างกรรมในจุดนี้มันเป็นบาปกรรมติดพบติดชาตินั่นลูกหลานนะเออมาค ว, ควรควรจะมาสร้างบุญสร้างกุศลในจุดนี้ควรเสียสละสิ่งไหนที่จะเกิดประโยชน์ต่อวัดวาศาสนาของท่าน ต่อสถานที่ของท่านให้พวกเราช่วยๆกันนั่นแหละถ้าว่าพวกเราคิดอย่างนี้นะหลวงพ่อว่าเป็นบุญเป็นกุศลติดพบติดชาติของพวกเราเหมือนกันเอาต่อเนี้ไปคณะสงฆ์เจ้าธโมธนาให้พ่อนา่ิทีนีน่นาะ